เดี๋ยวจะพูดกลั่นสัก1ิบนาทีแล้วก็เต็มสื่อหลวงปู่เทียนนิดหนึ่งชื่อคิดตัดทิ้งเดี๋ยวเราจะได้ฟังหลวงปู่เทียนซึ่งเหมือนนี้มองเห็นว่ามันมีบางประโยคมันเป็นประโยคที่สะดุดหูแล้วก็ทำให้เรากลับมาดูตัวเองแล้วก็เห็น การปฏิัธรรมของเรามันมีลักษณะของจุดอ่อนอย่างไรได้เรียกว่าอุดหรือว่าเสริมเติมเต็มจุดอ่อนต่างๆจะทำเมันกัว่ามันเป็นความรู้สึกตัวที่มันเชื่อมโยงต่อเนื่องที่หลวงปู่เท็นใช้คว่าต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนาะแล้วเวลาเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยตัดตัดออกโดยการกลับมารู้สึกตรงนั้นมาก่อน มันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะหยิบจับสัมผัสได้เป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดบางประโยคดี่เราฟังดูแล้วอะไรว่ากรรมฐานที่เรียกว่าสภาวะของผู้ดูนะผู้ดูคือมันมีลักษณะของอาการต่างๆที่ปรากฏคณนะต่อคณนะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแต่ว่า เพราว่าพูดดูพ่อเปรียบเทียบมันก็ว่าเราไม่ได้ลงไปเล่นกับคลื่นน้ํามันมีคลื่นทะเลมันมีคลื่นเี้ยเราไม่ได้ลงไปเล่นในน้ําแล้วคลื่นจะเล็กใหญ่กระดาษไหนมันก็หายไปกัใช้ฝั่งก็เหมือนกับเราคิดอะไรก็ตามเราไม่ได้เจตนาคิดแต่ว่าเขาคิดขึ้นมาเองเราก็ไม่ห้ามแต่ว่าเราก็รู้สึกอยูรู้สึกตัว ดูว่าคิดเราจะได้เห็นสิ่งกําลังปรากฏขณะต่อขณะแล้วก็เป็นการเห็นที่มันเป็นการเห็นของจริงด้วยสภาวะธรรมโดยไม่ต้องคาดคิดหรือว่าด้นเดาคํานวณคาดกันณ์้ลยแต่ว่าวเป็นสิ่งที่กาลังปรากฏจริงๆเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแล้ก็จึงเหมือนกับว่าได้ข้อมูลมีแผนที่แล้วเราก็เดินทางมีความชัดเจนแล้วก็มันก็จะได้คําตอบไปในตัวหายสงสัย สิ่งที่ท่านพูดก็สิ่งที่เราทําอันเดียวกนนันเราก็จึงเลยว่าตั้งใจฟังคำว่าตั้งใจฟังก็คือสมาธินั่นแหละมีสมาธิในการฟังแล้วก็ไม่ต้องขบคิดตัวไหนเข้าใจประโยคไหนเข้าใจมันก็เข้าใจเข้ามันเพราะว่าของมันมีอันไหนยังไม่มีมันก็ฟังไว้ก่อนเป็นรองรอยแล้วท้ายสุดก็คือพอมัน ปรากดขึ้นมาแล้วก็อ๋อตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้แล้วอย่างผมและธรรมาเคยได้ยินคําว่าภาวะผู้ ด, ดูก็ไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งคําว่ารู้สึกตัวก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันแนะ่รู้สึกตัวก็บอกว่ามีสติมีสติมันก็ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรแล้วก็มองดูว่ากีฬาการเล่นกีฬานี่คนเล่นกีฬาจะต้องมีสติถึงเล่นกีฬาได้ยิมนาสติกหรือฟุตบอล จะมีกติกาแล้วเวลาจะเตะฟุตบอลให้เขาไปโตนะโดยเฉพาะนะก็ลองจําลองดูว่าเราเคยเล่นฟุตบอลมาเยงี้ลองตั้งดูแล้วก็เตะดูลองทําท่าเอ๊ตรงไหนนะักก็เรียกว่าสติเงนี้นักก็เคยจนกระทั่เหมือนกันว้มันอะไรกันแน่มันก็สงสัยอนะอันนี้ก็คือเราพยายามที่จะเหมือนกับว่าไปคิดหาคิดเห็นแล้วก็ทําให้มันเป็นให้ได้ก็ลองหลายๆแบบน สิ่งที่ดีได้ฟังมาแล้วก็ลองมาทําดูจนกระทั่งอ๋อในตัวสติตัวปกติมมีลักษณะมีอาการแบบนั้นสมดุล้ว่าการวางกายวางใจริมปรากฏขึ้นมาเนะี่ยจากการทําที่เชื่อมโยงต่อนเนื่องเป็นลูกโซ่อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาอาการต่างๆถ้าเปรียบเหมือนกับภายนอกแต่เราจะได้เหมือนกับว่าอุปมาอุปไมยหรือเปรียบเทียบก็คืออย่างเช่นวันเนี้ยฝนตกลมแรงนี่นนะ กร น, นี้ฝนตกเป็นปลากระตักการภายนอกเนีกรนี้ถ้าเราอยู่ด้านนอกเราก็จะเปียกแล้วาอาจจะหวั่นไหวแล้วาลอาจจะหลบอาจจะหลบเพราะว่าเราเห็นว่าเปียกมันก็อาจจะป่วยอย่เงี้ยนะเคยมีประสบการณ์เปียกแล้วป่วยหนาวแล้วป่วยเราก็เข้าร่มหรือว่าเสื้อเปียกลาดขึ้นเงี้ยเรามีประสบการณ์เราก็เข้าร่มการเข้าร่มก็หมายถึงว่าการหลบกับปลากฏกการเข้ามา อยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็มันเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเกิดความก่วงเกิดความรังเลสงสัยหรือว่าเบื่อเซ็งแล้วก็หลบมาหาความรู้สึกที่กายของเราตัวนี้มันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่พักเราท้ายสุดก็คือมันเป็นที่พักที่ปลอดภัยหรือว่าความรู้สึกตัวที่เราผลิตด้วยนะความรู้สึกตัวที่เราเจตนาเรียกว่ากรรมฐานนะนะเจตนาเคลื่อนเจตนาไหวจนกระทั่งมันเห็นเลยว่าเออความรู้สึกที่กายเป็นอย่างนี้กับตัวอีกตัวนึ่งก็คือ อาการของกายที่เป็นเวทนาเกิดเป็นลักณะของความทุกข์จริงๆถ้าเราไม่แก้ไขให้ผ่อนคลายบรรเทาหรือว่าวไม่มีความอดทนอดกลั้นมันก็จะเป็นความทุกข์นั่นเองมันจะเคลียรหลาบเรารู้สึกว่ามันมันอ่อนแอปอบางไปมันมันรู้สึกขัดแย้งทนไม่ได้แล้วก็ต้องมันก็ว่าบางทีก็ไม่อยากจะผลักใส่ให้มันอย่างเงี้ยนะแต่ภาวะของผู้ดูและวิปัสสนาเนี่ยมันกลายเป็นว่า เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็คือจิตมันปกติอยู่แล้วก็ดูอาการเหล่านั้นเหมือนก็อยู่ในสลายอย่างเงี้ยเหมันก็อยู่แล้วก็มีที่อยู่จริงๆในจิตในใจก็คือปกติมันมีเขมันอยู่แต่กว่าจะปกติเราก็เจอความไม่ปกติก่อนความผันผวนแปรปรวนของจิตใจที่เราเข้าไปอยู่กับสภาวธรรมเข้าไปอยู่กับอาการเข้าไปอยู่กับอารมณ์มันไม่ใช่รู้สึกหรือไม่ใช่ว่าดู ในวันนั้นคำพูดเนี่บางทีเราฟังเราก็ชื่นใจนะเพราะเห็นร่องรอยการคิดมโนภาพเรียกว่าจินตาไม่ใา่ปัญญาหรือว่าสุดตาไม่ญช่ปัญญาเห็นร่องรอยเพราะทำมันเป็นอาการภายในนะ้อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาภาวนาแล้วเรียกวิปัสสนาการรู้เห็นความจริงในตัวแล้วก็เป็นภาวะผู้ ด, ดูคืออาการต่างๆจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปตลอดเวลาเวลาแล้วก็มันก็เข้าใจได้ว่าคืออะไรอย่ไงนะ ก็เกิ่นมาให้เราได้เหมือนกับว่าได้เห็นนะแล้วก็จะได้ตั้งใจฟังหลวงพ่อเทียนที่มันจะเปิดให้ฟังคิดตัดทิ้งกานี้มนกัน